เรื่องทางเลือกแห่งการพัฒนาโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยคอาหนวยพรสิริสวัสดิ์พี่พัฒนมงคลความสงบเยือกยเย็นแห่งจิตใจและความพาสุขทุกประการจึงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมร่วมพระพุทธศาสนา และตลอดทั้งทันสาทุชนผู้มีความสนใจไฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บญใฝ่กุศลทั้งหลายโนยทั่วการทุกท่านทุกคนนะโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวทำนิกาทาคือถ้อยคำอันประกอบด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งซ้อนในทางพระพุทธศาสนาแล้ว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 ถ้ามวัวแต่พัฒนาอย่างเดียวมันล้มหน้าถ้ามวัวแต่อยากจะให้มันทันเขาวทันสมัยมันก็นล้ําหน้าถ้าไม่พัฒนามันก็นล้าหลังทีนี้จะพัฒนาอีกแบบหนึ่งมันก็นล้มหน้าพัฒนาไม่เป็นมันละล้าหลังคนจะเลือกเอาอย่างที่มันถูกต้องเพราะพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่า บคุคคลใดถือเอาส่วนที่เป็นกลางๆไว้ได้บุคคลนั้นนรชนนั้นย่อมตั้งอยู่ในฐานะอันประเสริฐโดยแท้และทั้งบวาววิจยะโยนิโสวิจิเนธรรมังปัญ ญ, ญายถั้งวิปัสสติพึงตรวจค้นทำให้ถึงต้นตอแล้วจึงจะเห็นด้วยปัญญาเห็นแจ้งโดยปัญญาพวกเราเป็นประเทศที่พัฒนา ตามหลังฝรั่งมั่งค้าเดี๋ยวนี้เรียกตนเองว่าเป็นประเทศนิกวิงให้ทันขาวจะได้เป็นเฟื้อเฐกิจตัวใหม่ในเอเชียก็เลยเรียกว่านิกนิวรีอินดัสทรีคันเทประเทศอุตสาหกรรมใหม่แต่ปัญหาเป็นอย่างไรในขณะที่เราร่ำรวยกันทางเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านของเรายังตามไม่ทนัน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 นอกจอากนั้นเกาะดุนยาภาพธรรมชาติโทกทำลายอย่างย่อยยับอากาศหนาวกว่าหนาวมากร้อนก็่ร้อนมากความร้อนของโลกได้สูงขึ้นน้ำในทะเลก็ได้เพิ่มมากขึ้นส่วนที่เป็นทะเลสาบทั้งหลายก็ตายไปไม่มีเต่าปุงหอยปูปลาตัวไหนจะอยู่มันได้ต้นไม้ที่เขียวที่เคยเขียวสดงดงามในประเทศทางตะวันตก ไม่มี ใ, ใครมาถางปลูกปอปลูกมันอย่างบ้านเรามันก็ตายของมันเองเอาเฉยๆเอาดืด้อๆข้อเหตุที่เกิดมาจากการพัฒนาที่ล้ำหน้าจนเข้าไปทําลายธรรมชาติดูดเอาคูดเอาทรัพยากรธรรมชาติพวกฟอสซิลฟิวเอ็พวกน้ํามันพวกแก๊สต่างๆเอามาทะลุง สร้างโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ำเน่าน้ำเสียกากเลนเคมีลงใส่พื้นดินพื้นน้ำจนป่าไม่สามารถจะอยู่ได้ลอยฟองกนเป็นบนอากาศเป็นกฎในตริกรดกรรมฐานถูกความชื้นผสมเข้ากับเมฆตกลงมาเป็นฝนเกิดเอซิเรนฝนน้ำกรดรสราดลงตรงไหนตา ย, ตายมันตรงนั้นต้นไม้ก็ตายเหี่ยวแห้งร่วงล่นใบ ไม่งอกออกมาอีกผ่าอีสานเฮาเอินว่าเมื่อแกหลอนตายแล้วตั้งแต่เฮงเท like โกสโลวาเกียสวิตเซอแลนเยอรมันเคยต้นไม้เขาผูกคอตายเขากุมใจนอกอย่างนั้นทะเลสาบตายไม่มีสัตว์ตัวไหนอยู่ได้เพราะน้ำเป็นพิษน้าในดินก็เป็นพิษเพราะปล่อยน้ำเสียกา ก, ากเดนเคมีต่างๆลงไปไหลเขาไปผสมเกิดพิษน้าบนฟ้าตกลงมาก็เป็นพิษ ลดราดลดหดต้นไม้แล้วมันตายไปหมดตึกรามบ้านช่องสิ่งก่อสร้างปูสร้างทั้งหลายคือมาก็พังเสื่อมซีคุณภาพประเทศไทยประเทศไร้การพัฒนาประเทศอื่นไม่รู้อินโออินเนกเดินเข้าไปอย่างจังเบริร์ทั้ง direction in direction ทั้งทางตรงทั้งทา ง, ทงอ้อมนี่แหละคือผลแห่งการพัฒนาทางวัตถุทางเทคโนโลยี technology. เพราะเหตุนั้นการพัฒนานี่จะต้องเลือกแล้วจะต้องเลือกแล้วที่เราจะต้องมาโหดการที่ท่านนึงไลยเข้ามาในวัดท่านก็เห็นแล้วไหมในทางน้าในทังน้าก็ดีในตรงไหนก็ดีที่เขียนไว้บางคนก็มานั่งจดเอาป่ารักน้าอารามรักนกพุทธสาวกรักธรรมน้าเอาความร่มเย็นกลับคืนมาเ้ยไ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 มันคลามซี่ที่สุดทำไมไม่แอคทีฟในเรื่องเหล่านี้อาดมามาอยู่ในป่านเนี่ยหกปีหลายก็ดูเถอป่าไม้ที่ปลูกขึ้นมาต้นใหญ่ๆก็ไปย้ายมันมานะ่ยนะไม่ได้มีชนมีรอนจากรัฐบาลแม้แต่สตางแดงเดียวมีน้ำซ้ำยังต้องซื้อที่ดินป่าสงวนแห่งชาติคืนมาไรแล้วเป็นหมื่น ซื้อมาแล้วก็มาปลูกป่าป่ารักน้ำปลูกแล้วก็ต้องรอคอยว่าจะถูกรัฐบาลไล่หนีเมื่อไหร่อันนี้ก็เตรียมตัวไว้เองเหมือนกันที่ปลูกๆนั้นมีดเดรรีร่แรงงานของพระเนมทั้งนั้นใจมันรักป่าดงทรงไยอัตมานี่เป็นคนป่าคนเดินเกิดมาเห็นแต่น้ำฟ้าป่าเขา แต่นี้มันหมดไปหมดไปก็มีความรู้สึกว่าคิดถึงสภาพอันนั้นและยิ่งทุกวันนี้โลกทั้งหลายก็พากันหวาดกลัวมีการประชุมกันที่ยิบขึ้นในทศวรรษนี้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเอ v i r o n อนเมทั้งหลายตลอดถึงเกี่ยวกับความร้อนของโลกสูงขึ้นประชุมกันอินเตอร์เน็ตแนวเฟรน h i ชิป A International Conference on Ozone อโซ e r รเจอร์คอมมีการประชุมกันระหว่างนา น, นาชาติเกี่ยวกับปัญหาหาข้อยุติในการอาโอโซนเนี่มันร้อนมากฟ้ามันรั่วขึ้นมาก็ทำให้เกิดปฏิกิริยาจากแสนอุนต้าไวเอเรตทำให้ เป็นพิษเป็นภัยอย่างรุนแรงทั้งมนุษย์ทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งต้นไม้ใบหญ้าปล่อยไว้ต่อไปนี่ปัญหานี่จะรุนแรงมากขึ้นส่วนอาตมานั้นมาอยู่ที่นี่ก็มีความคิดอย่างนี้ทำยังไงก็ต้องซื้อซื้อป่าเหล่านี้ไอ้ที้กันมาทอดกระถิ่นทอดปลาปากก็พยายามถามพยายามพูดกับเจ้าภาพว่าอาตอมาจะซื้อที่ปลูกต้นไม้เนี่ยที่ป่าสงวนแห่งชาติ คล้ายซื้อคืนมาเพื่อเวีนคืนให้รัฐกันแหละแต่ในขณะเดียวกันจะต้องปลูกป่าให้สะกอนเตรียมใจไว้เผื่อว่าจะถูกไล่ออกมาเหมือนทานจารย์ประจักษ์ตามธรรมดาและพระสง์องค์การหรือไม่มีสิทธิในการครอบครองแผ่นดินแม้แต่ตารางนิ้วมือเดียววันนิยมีอาชูประคะโตมีชีวิตที่ปราศจากวัณณะไม่มีฐานะใดๆในสังคม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 ถ้าอยู่ๆเชยๆมันก็ดูกันลายอยู่ถ้าพอจะช่วยโลกช่วยสังคมช่วยบ้านเมืองมันมีสำนึกของมันเองโดยไปตั้งรออีสานของอีสานเขียวในวัดอื่นทั่วไ ป, ไปงานได้รับทุนจากทางหลวงทางรัฐแต่ก็ไม่เห็นจะปลูกอะไรกันตรงไหนเหมือนอย่างเท่าเก่าเขียนรายงานตายปลูเข้าวตาเป็นพันต้น แต่ที่ดินมันก็ยังอย่างเก่าปีหน้าก็ปูอีกสองพันต้นแต่ไม่มีอะไรขยายขึ้นแต่นี่เราอยากจะเห็นป่าช่ำฝนที่ฝรัง่งว่า rain forest นะนะแล้วก็อยากจะให้สภาพเหล่านี้มีขึ้นป่าที่เขียวสดงดงาม น้ำฟ้าป่าเขามีแหล่งน้ำ น, น้อยๆพอเลี้ยงต้นไม้ให้นกใหกาได้อยู่ได้กินสัตว์วาสิ่งเพืิอเพลินเจริญใจด้วยแมกไม้เขียวสดงดงามเสียงหมูวิหกนกไผ่เริงร่านในป่ากว้างพระสงฆองค์เจ้าหนังจเจริญสมาธิภาวนาเดินจงกรมเห็นแล้วก็เย็นตาเย็นใจนี่คือโครงการป่ารักน้ำอารามรักนกพุทธสาวกรักธรรม ที่ท่าได้ินแล้วนี่เสียงที่มันร้องเจือแจ้วอยู่ตรงเนี้ยเนี่นนยนกยูงเดินเป็นปุง้งปุงนกกาวาร้องนกโพละดกนกเขาวร้องสานันวันไว้ไก่ฟ้าพญาร้อเนี่ยมันเดินเดินเดินเดินกันมาเห็นแล้วอย่างนี้มีความรู้สึกอย่างไรถ้าเห็นอยู่ในป่าก็อยากฆ่ามันมาลาบกินดูนกยงมันจะแซบบอไก่ฟ้าพญาร้อนกไก่ขวนี่มันจะแซบไหมจะอร่อยไหม แต่พอมาเห็นมันเดินไปไม่บาดไม่กลัวมากินอาหารอยู่ในมือพระอย่างนี้อาจมาเชื่อว่าร้อยละสามก็ไม่มีใครอยากแกฆ่าอยากแกแกงมันเกิดธรรมะในใจความเมตตาปาณิโอสัตว์เหล่านี้น่ารักอยู่กับพระทรงองค์เจ้าไม่มีใครเ บ, บียดเบยมันนึกไปใครมาเห็นก็เออมีความสุขใจเห็นไหมอารามอันร่มรื่น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 สิบสี่สถิติของกรมป่าไม้ได้บันทึกไว้ว่าป่าประเทศไทยมีถึงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านไร่แต่พอมาถึงปีพศอสองพันห้าร้อยสามสิบสองมนีป่าประเทศไทยก็เหลือเพียงแปดสิบเก้าล้านแปดแสนเจ็ดมืนเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดไร่ จริงเธอจะเร่าแต่มาไม่ทราบนั่นคือสถิติทําไมมันรวดเร็วเหลือเกินมนุษย์ดีเป็นผู้สร้างสรรค์นมนุษย์ดีเป็นผู้ทําร้ายทําลายอย่างย่อยยับเบียดเบียนเหลือเกินเบียดเบียนป่าเขาลําเนาภัยธรรมาชาติดินฟ้าอากาศในขณะที่ป่าหมดไปนีนสัตว์ป่าก็ถูกทําลายไปแล้วก็ซูนพันไปมากๆการที่จะทําให้สิ่งเหล่านี้กลับเขินมาเอก อย่างน้อยสึกสิบเอร์นยี่ิบเปอร์เซตี้จะทำให้โลกนี้เย็นขึ้นมาอีกตั้งเยอะแล่เราจะทำอย่างไรตรงนี้มันสำคัญว่าถ้าทำนั้นมันทำได้ถ้าเราสามารถปลูกสำนึกของคนทั้งหลายให้รู้จักคุณค่าของสภาพแวดล้อมธรรมชาติอันดีอันงามป่าเขาลำนาภัยสัตว์สาวาสิ่งทั้งหลายถือว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน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 อยู่ที่นี่มันก็เลยมีความสุขไปที่อื่นปากก็หมดแล้วเพราะนั้นทำให้นึกถึงการพัฒนาแบบนี้คนทั้งหลายมักจะมองข้ามอาะมาพาพระพ า, พ า, พาเนนปลูกต้นไม้พากันเพาะซื้อถุงยางมาเองไปเอาแกบเผาไปเอาดินอะไรมาผสมมาปลูกมาทำแปลงรดน้ำไว้เนี่ย แล้วก็ไปปลูกที่นู่นที่ซื้อในป่าสงวนนั้นน่ะไล่ละหมื่นบาทอไอไล่ละหมื่นบาทเนี่ยไม่มีราักานอะไรเลยหมยันก็เสียงที่สุดถ้าหากรัฐบาลจะมาไล่หนีเมื่อไหร่เหมาไปนะพระนั้นเมื่มีเสร็จที่จะไปคอมเพลนที่จะไปต่อสู้ใดๆทั้งสิ้นตาหากว่าทางรัฐไม่เห็นโอกเห็นใจมองไม่เห็นคุณค่าประสงค์องค์เจ้าอย่าว่าแต่ให้หนีจากป่าสงวนเลยไล่หนีจากประเทศไทยพระก็จะต้อง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 ทั้งวันนี้พี่น้องทั้งหลายเป็นผู้ได้บุญคนที่มาบริจาคเงินทองอะไรต่างๆที่ไปแสดงธรรมขอให้ค่ารถค่าเรือ ม, มาเลื้อนเอามาซื้อถุงยางเอามาซื้อพันุไม้อะไรต่ออะไรบุญก็คือได้จากแ้ายมอ่าจจะมารับไปเท่ากับเวรคืนนั่นเองค่อยคิดดูเถิดป่ารักน้ำอารามรักนกท่านเห็นนกร้องเป็นฟูงเดินไปเดินมานกยุงไก่ฟ้าพญารอเหล่านี้นกโพระดกแห่งนี้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 เพราะว่าชาวบ้านเขาก็ไม่ได้มาไล่พ้าออกเขาดีใจถึงน่าเป็นจริยธรรมของผู้ปกครองบ้านเมืองที่นักพืชศาสนาพูดคือว่าทัาสถิต ร, ราชธรรมก็ดีจักรวรริติธรรมก็ดีทำของผู้ปกครองบ้านเมืองพระราชาพระเจา้าจักรพรรดิมีข้อหนึ่งว่าทำมิการขาวรณะขปติสมณนะพาเมเนสุทำมิการข่าววรณะขปติ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 เกิดความรักด้วยกันเป็นปริยายที่นี้พอมาถึงสมัยนี้ป่ามันก็ไม่มีจะโปลูกดูเองเนะที่นี้่ป่าดงพงพายมันหมดอย่างที่นี่ก็ต้องโปกูกแต่ในขณะโปูกก็ต้องรอคอยวันที่เขาจะบอกให้ออกหนีอีกเหมือนกันทีนี่เราก็เลยพัฒนาแบบไม่ต้องไม่ต้องมั่นใจอย่างเ อ, อื่นแต่เพียงแต่ว่าได้ทําไปให้มันเกิดประโยชน์อย่าไปหวังอะไรมากถ้าเขาบอกให้ออกก็ต้องออกไป เพียงเมฆไม้ช่มชื่นในพืนป่าเพียงทาราเจิงขังทั้งเย็นใสเพียงเสียงนกเริงร้องกล้องแนวไพรเพียงเท่านี้ก็ชื่นใจเหล่าพระเนนอาด้มาก็เลยเขียนไว้อย่างนี้พระสงฆ์จะมีความสุขได้ไม่ยากไม่ต้องไปซื้อสักบาทเพียงแต่มีเส้นนกเสียงกาป่าเขาลำเนวไพยมีน้ำใสเจิญนอนพอได้อาบได้กินเห็นนก ตัวนึ่งลงไปกินน้ําไปอาบน้ําเริงร่า ก, ก็สุขใจด้วยเมตตาปานีมันเป็นพ้นแห่งให้เกิดความสุขใจเขียนไว้เป็นภาภาษาอีสานไว้ด้วยวะเพียงเห็นใหม่เงยดวดงเหมิดลกหนาเพียงเห็นท่าราสายอังเต็มวังกวงเพียงเหนแซ่ลแซ่ล่วงสกุลหน้าในเทินสะออนเดชสุขยิ่งลำใจข่อยเปิดโบเป็น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 คิดจบแต่ก็มีความรู้สึกว่าไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางมีหนทางคือการพยายามปลุกสำนึกการปลุกสำนึกให้คนมีความรู้สึกสำนึกจิตสำนึกรับผิดชอบด้วยกันันมันก็มีหลายวิธีเพราะคนมันมีหลายแบบคนในโลกนี้มีอยู่ตั้งสามสี่ประเภทประเภทหนึ่งผููกันปับรู้เรื่องปุพพวกปัญญาปัญญาชน เพวกอุคติตันยูวิปติตันยูเนยะปะทะป ร, ะะประมะบางพวกยกหัวข้อเล่าเรื่องราวขึ้นมาเข้าใจเพียงแต่ชี้โทษในเหตุว่าการตัดไม้ทำลายป่าการไม่เคารพต่อธรรมชาติอะไรต่างๆมันจะเป็นพิษเป็นภัยแก่ชีวิตแก่สังคมแก่โลกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างงั้นเพียงแตพูดอย่างเนี้ยเข้าใจเลยเกิดสํานึกร่วมรับผิดชอบขึ้นมาแต่อีกพวกวิปติตันยูนั้น จะต้องยกหัวข้ อ, อขึ้นมาอธิบายชี้โทษไม่พอต้องชี้ถึงคุณของสิ่งเหล่านั้นมีทั้งโทษทั้งคุณทั้งทางออกให้เรียก ว, ว่าอัสาธาอาธีนวะนิสสนะทั้งเสน่ทั้งเสนีย์ทั้งสํานึกเพื่อจะออกแกสิ่งเหล่านั้นเสน่เสนีย์ ส, νε ส νε ํานึกนี่ต้องเข้าใจให้ดีสาาธธเสน่ห์พระสาวพูดจริงเลยว่าอัสธาธะ อร่อยเยือร่ล่อทุกวันนี้เราทำไปตามอำนาจเสน่ห์แต่มองไม่เห็นสเสนียดทุกคนเดี๋ยวนี้นรู้กันเกือบจะหมดแล้วว่าการตัดไม้ทำลายป่า ก, ก็ดีการเบยดเบียนธรรมชาติการไม่รับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมระบบนิเวศมันเป็นปัญหาแก่โลกแก่สังคมมองเห็นอยู่แต่มันมีสเสน่ห์สเสน่ห์คือทาไปแล้วมันได้เงินอืม ้างป่าทางลงปลูกมันสำปหลังแล้วมันขายได้เงินไวๆไม่ต้องไปเอาญ้าเอารุ่นอะไรมากมันทำไม่ยากเหมือนอย่างอื่นนี่สเสนมหอยู่ตรงนี้สเสนีหนั้นยังไม่เห็นทันตานเน่์มันได้ไวกว่าเพราะนั้นสำนึกมันก็เลยไม่เกิดที่นี่บางพวกเนยยะเนยยะคือพวกพอที่จะแนะนำกันได้นั้น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 พวกนี้พวกเนยะต่อมาพวกสุดท้ายปะทะปรมะมืดมามืดไปบัวใต้น้ําไม่สนใจพูดยังไงก็ไม่รู้เรื่องพูดให้ฟังก็ไม่รู้ทาให้ดูก็ไม่เห็นอยู่ให้เหนน็นก็ไม่สนใจเราปลูกป่าให้ดูอยู่ผ่ารมากขบอกว่าคนปัญญาอ่อนเยอะเย้ยอย่างนี้เราก็ไม่ถือคนสามประเภทพอพัฒนาได้แค่นี้การปลูกสํานไพรสามประเภทนั่นแหละ จะต้องมาคํานึงให้ชัดเจนขึ้นมานอกจากพูดให้ฟังแล้วไม่พอต้องทําให้ดูต้องอยู่ให้เห็นที่นี้อาจมามีความรู้สึกว่าการที่จะทําให้เรามีสํานึกขึ้นมาเพื่อการพัฒนาเลือกสู่การพัฒนานั้นคือการรับผิดชอบตามธรรมดาคนเรามีสัญชาตญาณแบบเดียวกันอย่าว่าแต่คนเลยแม้แต่สัตว์ มีคำกล่าวตั้งแต่โบราโบราณก่อนพระพุทธเจ้าเกิดอีกพวกพราหมณ์พวกอินเดียเขาก็เคยพูดว่าอาหารนิธาพยะเมทุนันจะ้ามมนเนต์ปะสุพินารานั่งการกินอาหารการนอนหลับสบายการหว่นกลัวต่อภยัยอันต ร, รายการสืบพันธุ์ระหว่างเพศสีอย่างนี้มีเสมอเหมือนกันระหว่างคนและสัตว์โมหิเตสังอาทิกโกวิเศโซ ธรรมะเทํานั้นที่ทำให้มนุษย์นี้ประเสริฐไปกว่าสัตว์ธรรมานิปหินังปสุภิสมานาธาขาดทาเสียแล้วคนและสัตว์ก็เหมือนกันอ่อนเซมอันธรรมชาติสัญชาตญาณ i ิ s t ต n c t อ of ฟรายสที่ฝรั่งเขาว่านี่เนี่ยมันมีอยู่ด้วยกันตัวสัญชาตญาณ น, นี้เป็นพื้นฐานที่ตั้งของกิเลสของตัณหามนุษย์ ทั้งหลายจึงดิ้นรนต่อสู้ยื้อแย่งสแสวงหาพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์ก็แสดงออกมาจากสัญชาตญาณเหล่านี้เขาทําเพื่อมีอยู่มีกินเขาทําเพื่อสืบพันธุ์เขาทําเพื่อเอาตัวรอดจากภัยความหวาดกลัวกลัวว่าจะไม่ได้สืบพันธุ์ไว้ในโลกกลัวว่าจะไม่มีอยู่มีกินกลัวว่าจะขาดทุนกลัวว่าจะ พ่ายแพย้แต่อคนอื่นก็ว่าคนอื่นจะเอาเปรียบเรากลัวว่าเราจะเสียเปรียบอะไรต่างๆพวกนี้และคําเพื่อได้มีที่อยู่อาศัยที่หลับที่นอนพักผ่อนย่นใจให้สะดวกสบายสี่อันเนี้ยเป็นสํานึกสํานึกของคนหลากหลายเกิดมาจากสี่อันนี้สํานึกกลัวจะไม่มีอยู่มีกิน สำนึกกลัวจะไม่ไม่มีเผ่าพันธุ์เหลือไว้จะได้สื่อพันธุ์สำนึกกลัวจะไม่ได้ที่รับที่นอนพักผ่อนอันอบอุ่นปลอดภัยสามนึกต่อความหวาดกลัวนานาประการทั้งทา ง, ท ง, ทงตรงทางอ้อมเพราะฉะนั้นการที่จะปลูกสำนึกคนก็ปลูกได้โดยทางอาศัยสัญชาตญาณอันนี้แต่มันไม่ปลอดภัยมันจะตายมาเป็นการทําลายการทําทลายป่าดงพงภัยทุกวันเนี้ก็เพราะสำนึกอันเกิดจากสัญชาตญาณสี่ประการอันนี้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 ตัวสัญชาตญาณเธอ instinct of ต d e ต้อง develop ed. มันขึ้นมามาโซ i n t e l l e c t u a l ตัวนี้เรียกว่าภาวิตยานอบรมสั่งสมความรู้ที่ประกอบไปด้วยธรรมแทนที่จะมาอยู่รอดด้วยกิเลสตต่หา จ, จากสัญชาตญาณกลับมาดำรงชีวิตอยู่ ในสัม้อของมวลชนของชุมชนของประเทศขอมอหนเรเรป็นการเริ่มต้นการพัฒนาีถูกต้องเป็นทางเลือกที่ถูกต้องคือพัฒนาใจคนปัญหาเกิดขึ้นแล้วตอนนี้เรื่องสัยามันไม่ต้องไปอะไรมันมันจะมมันจะขัมัจะ ดูอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาทางยุโอเมริการกาหีที่เขเจริทางวัตถุทางเทคโนโลยีนั่นเขา้เจริญมาจากสมิธเชียงสนใจแตอย่างในซิ่ออฟไลน์งเขาเงินเขามันแข่งแรงมันก็อดจากมันหนาวมันหนามากในธรรมชาติใบมะตูมามันทำอะไรได้มันก็ไปน้่งปิ้งไฟก็ไฟองนะที่มันน่าโตโหคิด ความสัญชาตญาณแห่งการดำรงอยู剛剛่แหการสืบพันธารกินการดูจะดูสบายเอเอตัวดหวาดัวต่อันตรายเหล่านี้จะไม่เลยจะาชนะสิ่งเี้กระนแค่สีเป็นคมที่ขาดแคลนมากมันงบกหลาอยู่ในน่งมากลาก็ไม่นกร้อนก็ไม่ร้อนเกินไป ก็เลยอนสมบรณ์อะไรเราก็ไม่ต้องเจอร้อนอะไรเพราเขาเป็นเวลาหนาวก็น้มากสูงขทากอะไรได้ก็อยู่ในบ้านออไปสีแล้วอามนี่เขาเลยนียยังไงถึงจะเอาชนะความขัดแี่จมาได้มชนที่เป็นคนร่ำนกันน่ แต่ยังนุ <wygląda S 1> ้มนังสยังเป็นน้องแม่ยังเป็นเผาชนที่รอนเร่ประวัติศาสตร์เอเชียโดยเฉาะในประเทศไทในชมพูทวีปในอินเดียมันเจอม่น้มีปลาสาระฉว่างแล้วแต่พราความัสบายจนเกินไปไม่มีอะไรมีขั้นสันทายาณนี้มันก็เลยมีพัฒนาเลยมั้งเราเริมันขาดดูริมมันขามีขั้นก็เลยสันทายาณเหตุดันดรงโวของชีวิตมันเลยต่อสู้ หาทางพัฒนามีสัญญ์เกิดมาเลยพัฒนาพัฒนาพัฒนาเรามากรุกีพันธ์ทางอันเมืองลูกปีจากเอลิขานลูกจากโโรมันขึ้นมาเข้ามาพันาเรื่องวุธขึ้นมาเมืองพัฒนาอาวุรยมดจะรับต่อมาันนี้ครมตีก็ที่ยูรารานิคมลาในกุนาราคมขึ้นมาเอเจักรวรดิในแบบนี้ โภภัยผู้คามทางธรรมชาติภัยผู้คามทางสงครามภัยผู้คามทางศาสนาใหม่ศาสนาก็มีบางครับใเชื่อในสนาดที่เขายังนรอยู่ยังไม่มีหลักฐานที่มั่นคงไม่มีอะไรดีกว่าตั้งพิธีพระเจ้ามาให้รผู้เป็นเจ้าือเป็นเจ้า่อยาบาผู้เป็นเจ้าทนันที่จะช่วยเหลือผู้เป็นเจ้านั้นที่จะดนด้ ในที่สุดมันก็มีทางเดียวือ้นเอวีเนี่ยเขาจริงๆเด็กประโขสอกออนะไปจิตบาทตามทำตามพระปรงของพระปูเป็นเจ้าำต่างอเขาบริบูตเจ้าทั้งหมดมาเลยเป็นควอมมันในธรรมก็เลยทนเมื่อน้นเข้าผูกคล้ายไปธรรมชาติเยียนเยียนข้าวูไฟตางๆเมืองเดียเดียนงามเยียนเียนเอ๊ะไมไวลฮันีฮันปในทีุ่ก ไม่ต้องไปดเลยว่าพระเจ้มีหรือไม่มีชิดทำยไงจะทำปุ๊บเกิดมาทำยังไงจะเอาชนะความร้อนความหนาวเกิดมาสร้างแอร์คอนดิชันสร้งฮีเตอร์อะไรขึ้นมายังจะวิ่งเร็วๆได้เหมือนวานี่นี่ัจะ่งได้เหมือนนกมาคิดไปม่เลยเกิดสำาวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีขึ้นมาก็เจัดดีขั้นเดมทีเมื่อกับเราขนาดเนีย ดูดีขั้นจากปัญหาธรรมชาติสภาพแวดล้อมที่ผิดกระทำการามาอินเตอร์แคนโตรเลนออรอสุเดียคอนเฟสนมาามาประชุมกันในที่ธรรมชาติยานักดามยานทีเราจะหนีปวันนั้นที่รธรรมสงขิโกวิเะนันหลีกรก็กลับมาตัวธรรมะทั้งหมอะไรล่ะ สัพพุทธเจ้าตสัตย์เทธรรมะปัญญาละธรรมะนี้ปัญญาเป็นกดปัญญาชีิชีวิมุเสโการดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญานั้นเป็นชีอันประโสรินั้นก็คืออกธรรมปัญญาพิจนาเฮทะพุนเอธรรมะนี้ตุขวะเอธรมะนี้ตุมตระัสโตซึ่งน้ไวมันเกิดจากเหตุพพุทธจาตกว่าตย์จะเทไฉะ ระบปรัเปลีนแปลง adaptability อะไรต่างๆมันมาจากการที่เนีประเทศไทยของเราทุกวันนี้ทำให้ปากเมไมัางหลายจุดงปัญหามันจะมีมาม้งหมดเดียวสภาพแวดล้อมมันเป็นต่างๆเนี่ยเมาจากอะไร ถ้าเรามาสาวหาหตุดังคํพิธีสาวเบิร์กกราวยนโสมเจเนธรรมบางัญจะทั้งปิมปัสสติเพื่อขอค้นทาถึงต้นต่อแล้วก็จะเห็นฤทธิ์ปัญญาแจ่มแจ้อาจมาเมื่อวันที่28กันยายนปีที่แล้วมาได้พาภรรยา42ลูกกับพวกนาคาทิกังนุ่งเท้าหอมเท้าถือสิบแปด อีกแต่คนรวมกันเป็นห <under> ้าสิบได้ออกจากวัดมงมาสู่ภูคาหุยทยานแห่งชาตยาวยัวดหังจะครบรนาสนปาอันดักนมันมีจะไปเทศไปร้อนคนไม่เหผักไม่พรอยาจะได้เวลาของตนเองอยกจะอดกลุ่มทานเองโดยตกลงว่าเราจะไม่ครบรบผูคนเราจะขึ้นปาใหญ่เขาสูงครบรสนาสนปาเราจะชันมามาวัวละสอหัวคน ลุาเท้าห่มเท้าแปรคนต yup. <c bio> ้มน้ำร้อนถวายมามาให้ก็ต้องมีย้ถวายมาเยอะก็เลยพาทำมามาช่วยหัวตั้หลักที่หน้าเขื่อนหัวหัวท่านนายอำเภอดวงเด่นเชยคุณนายอำเภอเต่านวลผู้สนใจในสิ่งในธรรมทั้งคุณนายทั้งอสอ์ทั้งเจ้านายทั้งตวก็มาช่วยกันวันนั้น เอาเรือท้องแดนมาส่งอาะมาต้องอาจจะไปป่าลึกเขาสูงก็เลยได้ลงเรือท้องแบนกันอีกคนหนึ่งก็แบนขึ้นรถโดยคุณกฤษดาสุภาพใครคุญหัวหน้ า, ย า, ย า, มมนาอุทยาณแห่งชาติไผ่บุญวร้อมทั้งคนงาหนนงน้องไปบันขบบัญชาเอาเรถมาส่งไปทางบกเท่าที่รถจะไปได้สุดทางแล้วก็เดิน ควไปทางเรือแล้วแต่สุดที่เรือจะไปได้ร่องแก่งไม่หขึ้นไปพอไปถเรือไปไม่ได้แล้วอาณาั้นสมัครางเรือไปปกันข้าวคบกันเมื่อขึ้นบกก็ากันเระายบาแ่กเครือิันทคลองขนนังโอ้ยคาสุเหลืกเน้้าวตาเขชร่องแก่งไป อแล้วก็เดินอ่าดิบลงลำฟังเสียงนกเสีนยนอาขึ้นไปถึงต้นน้ำน้ำไหลมาแล้วก็มาเป็นน้ำตกลงที่ห้วยขวดเห็นแล้วชื่ในใจนึกถึงวันนึกถึงของข้าวป่าคำนักปาาผู้ยิ่งใหญ่เกลือนใจในภาคอีสานตั้งแต่ปีพศ2 1 3 9สมัยสมัยพระเจ้าอุคทองของอุคสีสุธยา พ้าปากคำคนนี้เลยสะร้อนค่าชีวิตสังคมง่าเขาในแนวไทยใ น, ในอดีตว่าไว้ในเรื่องสังสินชัยพูดถึงตอนที่พรอทั้งหกลูกชายของทา้าภุรลาศรัทธ่ให้ไปตามหาอาแลือดเอิรนไปในปาก่าที่จะไปพบสินชัยเล่าบรรยากาศในป่าดงองไทยว่า ไม่เลยดัวดงเหาเขียวคำน้นไหลล้นเด็มโดนผาสัวสัวสัตว์มาในเขื่อนแทวแข็งพัวเข้าเราล่างครรปวดหองการเราดนเล่าคนเยอะุ้มรัวขันโคนคงหวดมลวกให้สุดแสนทำนี่จะไม่บานของเรือนหอมสะพานหยาเขียวคูคขอยุ่ง เลิกปลาดับดอกเอลแกมแาพันผูกหายแค่ขั้นท่าฉากนี่เองครูบินส่วนเอลละเวงปวดกินท้องโอ้คืกอดเคิดมปากเลยกั น, น, นวันนี้เราได้เข้าถึงวันนักรรมนเลือดของปากเราได้เห็นไม้ให่ตัวลงเมืเขาเขียวเราได้เห็นคำลวงไหลหล่นเต็มรูนห้างวงไม้ถึงน้าคำ โลดนเต็มต้นทางน้าตกไหลมาจากเขาอันเขียวชอุ่มอันดูสับต้นน้ําลับานไหลไม่ขาดสายโ่โสันสะกุ้งาในเขือนเสียนกในปากเขาลำเงาไพ่อนเชียงนกะร้องื่อาโรนจัดกรรเียงนกจับเจ้ามิจุดเสวแท่วงรัเทาเราล่านกแซวนกแคนนกนกลิงตัวนั่งงินนกเ คุณวเฮิร์โฮนั่งคงคุยแม่พูดไปแล้วก็จริงจริงมนไปมีความสุขใจยิ่งนัก็ไม่ได้กลับคืนสูนย์ทำมันช่าคบเรปปาเขาคิดถึงพระียกเจ้าพระพุทธเจ้าปักนี้เราก็กำลังเดินอามรอยเห็นพระเรียกเจ้าเดินอามรอยเห็นเขาคงงดงานบรรพบุรุษของเราเราเปด้ในป่าเขาเดิไปเดินไป ลองชื่นใจวันนี้ถ้าเอาใส่เครื่องบินมาจยอดมาดอบลงตรงนี้เราไม่รู้ว่าเป็นผาอีสานเป็นสกลนครนี่งนี้เราคงเข้าใจว่าลูกน้ำทางตอนปักกายทางมองกายจะนบุรีไปนู่นเม่เดินไปอีกสักเมือม่อไหร่ก็พุ่ออกมาฟ้าเจ่นจังปางอยู่ท่างกลางภูทยาแห่งขาดไม่จะปลามันเสมตหลงัง แรงต้นใจแปวเลยใจฟอเลยลงมีใจมาถึงต้นนี้มันกับหลักและวันตื่นขึ้นมาออกความฝัญนั้นสลายไปมองดูมนารก่องขอบุญกฤดาสุภาพภัยบุญจับอยังไรสองสามเจ้าหน้าที่ปากไม้จหน้าที่อุทยานสองสามคนกับลูกน้องสามสิบสี่สิบคนไม่เทียมคอต่อการรับผิดชอบเรย so ่างนี้ลูกน้องเอาเงินเดือนวันละเจ็ดสิบาท รัฐ บ, บาลน่าจะมองเห็นคุณค่าของคนเหล่านี้เดินป่าและลไร้ขยจแย่ของเพวอ่ออาตมาน่าจะให้เงินเขาอย่างน้อยวันละหนึ่งร้อบาทปรับป ร, ปรปุมใหมน่าจะเห้มากกว่านั้นอาตามาคิดไปเองและได้เห็นป่ามันจนะพลังขี่ไปอีกไกลน่าเหล่าป่าเมืองไทยซึ่งสูเสียอย่างด้ยอยเพราะอะไร อาจจมาก็คิดจดจำเอาไว้เอาไรเดีเนี่ยตาซีตาตาใมาใหญนีาปูเสร็จแล้วเขาจะหาไปขายที่ไหนอาลังพังไรในประเทศเนี่ยโลละสลึงต้งมีใครซื้อหรออันนี้เขามีข้ขามมีนายทุนที่ะต้องนำส่งพวกอร์ตอิอร์ตพวกบินมาสั้นอะไรต่างๆส่งออกนอประเทศ แล้วใครเป็นคนคไปเชื่อใครเป็นคนติดต่ออาจมาไปซื้อคนลงไปกาะรัฐบาลแต่ ส, สวมหานีดนี่น่าเราจะยมีสต๊อกลงสตอกลงอะไรต่งางๆเป็นปัญหากันโอรงการค้าต่างประเทศเอาเละสิทีนี้โอ้คนเน้อถึงตว่าผู้ ท, ที่ทำลายป่าสาเหตุใดที่ทำลายป่านั้นไม่มใช่ใที่ไหน ชาวบ้านนี้ยังไม่ร้ายโรนั่นคือรัฐบาลแท้ๆเลยโยบายในการส่งเสริมการเกษตรกรรมพิเพื่อผลเกษตรกรรมเพื่อส่งออกมีตัวสาคัญเพื่อส่งออกะไรไปหาโคต้ามันเป็นแสนล้านอันนี้ใครไปหามาตันี้ก็ทำไม่ได้แน่ต้งรัฐบาลจะีละอันเะ อันทีส่งก็โครงการของ ร, รัฐบาลเนี่ยโครงการในการตุตสาขาตัดไม้เพื่อส่งออกเพื่อรัฐบาลที่พอค่าเราเลื่อยพอค่านายทุนตลาเพื่อส่งออกรัลําลที่จะมาสร้างบ้านต่างเรือนในประเทศไทยทำดังนี้นก็ไม่หมดร้อยปีนี่ปัดแย่รูปส่งลงเรือออกนอกประเทศไม้เมืองไทยไม่พอไปตัดไม้พมา่า ข้ามาฟังไคล่ลงไคล่เหือลุงน่นรวม้อมประจุสองนอกประเทศที่ขายตีเลงให้เขาเป็นเาขาคนอื่นเพิ่มอะไรที่ีกพอระหวางประเทศลาวไม้ประเทศเม้ประเทศพม่าเียมตัวจิปาห์นไว้เาะจะหมดไปเพราะฝีีคนไทยนี่ยและใครบางคนควบุมอยู่เรื่อาวที่คไยิงมเห็นชัดเจน นณะโจบายอุตสาหกรรมอ่าไม้เพื่อส่งออกที่ตัวทำไรยป่าแล้วก็นโอบายส่งเสิมการเกรผลิตผการเกษตรเพื่อส่งออกมีอีกตัวใหญ่จึงทำให้เกิดพืชเศรษฐกิจชิดใหม่ขึ้นมาก็คือตัวมันสำปลัง อาดมาเคยมาแก่อนไม่เคยรู้จักมันสนลังคอแม่เลี้ยวมันตุ่นอูไว้พมกินนึกถึงคาพูดข่ายอีกครั้นเป็นไว้ความรู้สึกแปกวนมันสีไก่เหี่วนังสาแเอวสกลยจากเสื้อขาวหนาวสกัยจากหอบคนกอดเอวฮะแม้จอมีลาอธิบายเนี่ยเห็นมาเลยชัดเจนมันสีไก่เหี่ยวว่ามันเอวนังสางเอวสกลจากเสื้อขาว มันโค่นตกกว้ตามโคนตามหัวโคกในนาจอบพวกโคนพวกในนาข้างๆมันก็มีหนองน้ำตามไรนาก็มีหัวเหี่ยวมันตหมันจกระกันน้าคนนห่ลูกากน่เียวาน้าหมมันรองนี้มันไม่พอเพราะมันืนแิจะมาตามโคนนาจกระกบเ่ไวมันต้องไปูให้มันหมด มันก็จะส่งออกตามเป็นองเกาะโคราชและกระบานจะไปหาโครามาเรื่องนี้ตัวสาคัญตรงนี้ต่อมาก็การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวไทยพิเศษไทยแหลดงเด่นที่สุดสำคัญในยุคสุดท้ายหลังมันงค่ะก็ล่าไลมาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวก็คือสนามกอล์ฟและรีสอร์ทการสนามก็ล์ฟแรีสอร์ทในตัวทําลายป่าทำลายธรรมชาต กระบะจะต้องผลิตพลังไฟฟ้าผลิตน <igen> ้ำส่งให้สนามครอบส่งให้พวกรื่องสอต่างต่างตัวนี้ตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งก็โครงการของรัฐบาลนี้คือเอาเงินตราต่างประเทศเข้ามาต่อมาอีกก็มีเรื่องสัตว์ทะเลตะเกียงอะไรขึ้น คนไทไม่เคยกินนมรอกแต่ก่อนไม่ใช่พลังมัค่าก็ไม่กินนิ้วลงในด่มนมอกเดีนีโฆษณาตั้งแต่หนอนตืขึ้นมาเลยดูได้ยินแล้วนมสดต้อไม่ละโฆษณาปะหนอนโอเดี๋ยวนี้ปลาโจดลงบังมาตะบนขอเขียวาที่จะูแมตััตวนามัยกินเระวานควรสมบูทั้งร่างกายทั้งจิตใจเด็กก็เธอ โอ้ยมันว่าเสียมันจะเสยเอยได้ยิียงโ s จรนะมนามันยมอไ้จะสวลกเอะไรสุดิงจรไม่ใช่หลาขอใครร้องหองรวงจริงบริวารนะคนตอนนี้มันเปลี่ยนใหม่รงาไม่ติดอาไมัน่ติดาขอนนี่หล่เลยเียวพัจะจรอ โนกมันมีอยู่ทั้งยนอกภายนอกระโกซาเลียงโฆษณาจากที่อื่อื่นไม่ดีก็เป็นดีได้โฆษณาผิดทำไม่เข้าใจผิดจนมิชัดทิหลังจากนั้นก็มีสำนกผิดเกี่ยวว่ามิชาดังกะากหลังจากนั้นก็มิช้าวาจามมาพูดผิดกระทำผิดในละมันมือกแไดต่นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นมันกลายเป็นมิชชาคิดผิไป ทีนะครับโฆษณาในี่ยสิ่งที่มันผูกมัดเราไม่ได้นะผมจะเกิดส<อ>มมติที่ดีนะมาจ้ะถ้าเราโอ้อาสาก็โฆษณาทำไม่ว่าจะเป็นทางวิดีโอทางวิธีรูปทางหนังสือพินทางโทรทัศ น, น์พวกราอารมณ์ทีดีทำให้เกิดความเข้าใจดกลองสมาธิเกิดขึ้นเธอสมาสังกปายตัวสมาสังกปานนั่นแหละคือสมาติที่กล้องอาสาก็สมาสังกป เรื่องของการโนะอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็มีัตเศรษฐกิจขึ้นมาเลี้ยงโคหนงแต่นงมันกินอะไยากยากไปกู้ที่ไหนเศรษฐกิจนอะไแล้วมัต้องไปค้าปลาค้ารงทำไรยากเอาเข้าไปประเทีนี้ทไรยากก็ต้องมาทครื่องเอมาลด่างสิเล้งานขึ้นมาก็าการทลายป่าขึ้นมาอีกประเภทนึมาก็เศรษฐกิจสเศรษฐกิจชนิดนึงก็คือู อะไรเสียสนิกรุ่งคุลาดอกคุลาดำโคสนากันขึ้นมาปลิ้งกุ้งเพื่อจะส่งออกต่างประเทศราคาดิบขายชายเลนหมดเกลี้ยงไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันออกฝังตะวันตกของปากใต้บ้านเราหมดปาชายเลนทำลายปาทำนาคุงเราจะนึกกับาชายเลนทางฝั่งภาคตะวันออกอาไทยฝั่งตะวันออกจนบุเลยเลยโยงเลยโอ้โหไโยงบ้นเบมดตีนี้เหมือกัน จะดันบุรีจะอยู่เฉยๆได้เนี้ยมันก็ต้องมาถามาปลุกหีกมาทําานปลุกหลีกหมอะไรเลยจันเลยตอนมาก็นเิมสี่บอร์ับเข้ามาอีกเสีย่อใช่เลยแล้วใครจะพูดอะไรลองคิดดูทีนี้จะสร้างสานึกแห่พูดไปเวลาเขาก็จะหมดทำยังไง คนเราจึงจะมารับผิดชอบด้วยกันมาเป็นมัดรูจักนดีสมัดรู้จัดการเสมอม่มมาลูจัดการกาคนดีพงาดําริชีวิตอย่างถูกต้องตรงกเราจะไปชีวิตไม่นรอยัวจะตกมือนอย่างมีดงาทิตสักคู่เให้เขาเนชีวิตได้มาและกเสียไป จากันอะไรนักนของคนน้อยเท่ากันเหมือนกับเศที่เราจะสอบพื่อลดสิบลอานู้ไดก็ได้มาอย่างนี้ก็ถลายกันอย่างนี้แล้วจะปกครองกันในปกครองอะไรอาจมาระดมมานึกถึงว่าคนไทยหกสิบล้านคนกูลสำนึกที่สำนึกนมาทำผิดชอบทำผี่ชอบต่อสถาบันและร่วร่วมกันนั้นมันช้าไม่ทัากัรประเทศไทยไม่เหมือนเมืองฝรั่ง เมา่อพลังเขาเปลี่ยนแปอะไรเขาเปลี่ยนแปลงจากข้างล่างสู่ข้างบนเขาเปลี่ยนจากเด็กนุ่มใเด็กเพราะว่าเขาได้รับการศึกษาทั่วทั่วต่างๆการบริหารการศึกษาเขาเหมือนน pues pues ี pues ้มันเฉลี่ยไปทั่วมันไม่มีพวกเราเอาแต่ในมีแตู่กอูหลังหลังในเรื่องนที่การเปลี่ยนแปลงของขมทางอเมริกาทางยุโรปทางตะวันตกเขาเปลี่ยนแปลงจากข้างล่างขึ้นข้างบน อย่างเขาจะนักถือศาสนาเขาามานัถือเาเองเขาาเขาั่าเขาบุพเดเขาปฏิบัตรัฐบาลคนดูเขากิจกรรมธรรมาที่เขาว่าก็ทําอะไรกันรัฐบาลเขเข้าไปสังเกตเห็นว่ามันดีกสนับสนุนแต่เห็นมันไม่ดีกว่าทางัทางลดร้อนให้มันยุติไป ี่มันเปลี่ยนจากข้างหลังไปเพื่ใครมันเปลี่ยนจากขารบนเปลี่ยนจากผู้หลังมาีเปลี่ยนจากรับาลเปลี่ยนจากรัฐมนตรีเปลี่ยนจากข้าราชการลูกข้าราชการเปลี่ยนเป็นนลูกเจ้าใในตัวลูกมีเงินเปลี่ยนกั่อน ลูกชาวนาชาวอีสานยงกินข้าวจำปณิเตยยังกินอบกินยาแต่ลูกเศษีต้องปรยนกันเอารถคันงไปส่งโรงเรียนวันหลังถ้าขอรถคันที่เมาอยมากกจโรงเรียนาเพื่อนเขาจะไปโรงเรียนปิดลูกคุยคุยกันช่วยไปเที่ยวบ้างเลเียวยไปยมอกะพอย่างู้นีอวกันมันเปลี่ยนจากนบนลงมาขอนันการสก จะสร้างคนตั้งห้าสิบหกสิบล้านเนี่ยไม่ใช่การกระดอกช้าหน่อยว่าควจะซุกงามันจะไม่ต้องมาสร้างจิตสำนึกบุคคลที่เป็นตัวหลักที่เป็นทีมั่นเสมอเป็นบุคคลสำกัญที่มีอาวุธิลป์คนน้ำหน้าโรคาวุธตนะโดยเฉพาะคือข้าราชการสร้างจิตสำนึกขราชการสร้างจิตสำนึกะสมองค์จ่าสร้างจิตสำนึกระหว่างรัฐบาลถ้าจะไม่อยากจะให้คนทําลายป่า ไม่อยากเลยไม่ต้องไปเที่ยวไลกจับภาษีจราเข้ำไรทันัแกหาปาูมองปนไปเที่ยวหาจับจะจอรถรถขายจะไปจะมาก็เอเงินมาเอาเงินมาให้ฉันแล้วแกก็ไถ่ต่อไปรกวถอยกวตวนเเงียไป่อำเภอไหนก็ไปให้แกตำรวจเจ้กอนไปไได้ก็เอาหาวมาทำลายตาอีรเกี่ว่ามจริงเขาก็ไม่จับอีกจับได้เงินเทนี่ เพานั้นเอาเงินให้กันไปเอาให้ตำรวจแล้วก็มาคูดเอากับชาวไร่เอแพงแพไร่แปร้ยเก้าร้อยว่าฉัน้เสให้ตำรวจดลที่สุดชาระเสียแงแพแเป็นนีเป็นนีเีคน้ามมันเท่าไรก็ไม่พอข้ากันต่อไปทีนี้ทำยังไงก็ต้องสร้างสมดุลหาราชการูรักผูู้ี่ีนนโาาสถานาแล้ว ให้บุกคนเล่านั้นมองเห็นความเสื่อมความเจริญปิกระแสอังราปิดเสน่ห์ทางบ้าทางเมืองไม่ตอไปเอาโค้งโคกามาพืชผี้านเรานีมันกิบาวแลรววอดปลาลงไทยไม่ต้องหวังเลยกับมันสี่งเล่านี้กล้าไหมล่ะทาได้ไหมมันปิดชีวิตใหญ่มันทุ่นมากก็ได้ไปหมดเหมือนติดข้องน้ไม่เห็นไหลกันเแต่ตรงนี้ดูจะหักตบฉาว ในหนองหาบานเรามืองสกลนครมนไม่มีใครส า, า, า, ามารถที่จะป่ามันได้เพราะไม่มีอำนที่จเอามันแต่ถ้าเราพักตบส ว, วามเป็นราคาึ้มาสิโลล้สิตาคเหมือนกับมัณต้นสัตหลังกิโลล่จะสหาตางค์กโ ล, ละบาดนี่หากตบสาไม่พอเรอคน จ, จะลุยไปเอามาขายหมดแต่ีมันไม่มีอำนาจทกนั้นข อ, อเห็นนั้นท่าเราอยาก จะหยุดการทาลายป่ารับผดชอบอยนี้ก hmm. ็ต mm ้องมาสร้างจิตสนึคนทำลายคนทำลายมันยากกมาสร้างูหลักผู้ใหญ่เพราะว่าประเทศไทยมันเปียนจากข้างบนลงมาแต่เก่าแล้วพระสงฆ์ชาวก่ามีส่วนสร้างวัดให้เป็นป่ารัมนอารามรักบุคพุทธสาวกฒนธทรานาความเู้ารพิจารณาคนมาดัีจะทำลายมาที่วัดอีกไม คนมาที่นี่มันเกิดันนั่นเ อ, เ, อนเพี่แล้พูดหัไม่พอทาให้ดูทํ า, ท า, ทาเป็นตัวยาโก้ใครมาวันนี้คนเฮียเจ็นเลเกิดสบายใจมาที่นีวัดหน้าโจมองเห็นนกพูมเดินเป็นคุ่งองเห็นไก <c oughs> ่ฟ้าพยารอเห็นมันมาินอาห า, ต, หาตับนุกเรามากินอาหาตับมนุษ้องอุ่นใหลังจากนั้นเราขั้นบนเอ็นเตอรหเนกงมันต้อาขับน เห็นแล้วชื่นใจเกิดนีสตาปานีขึ้นมาเองโด้วยอัโนมัติในยากพิมพอยากราบล้อยาจาเห็นมันอย่างนี้อยากจะเห็นมันเลยร่าอยู่เชนี้เนี่ยการสร้างจิดส่วนั่นฉันี้ยพูดให้ฟังทาให้รู้จู้ให้เห็นเป็นตัวอย่างหลังจากนั้นต่อมาจงคิดจู่ว่าทอย่างไรเราจึงไม่มาพิจารณาเหล่านี้ย่างป่าสวรรค์แห่งชาติที่เราจะ จะขอจอกรเาเนี่ยถ้าเราจะซื้เขาเขินมาเนี่ยอาจะมาว่าเขาายเยนนี้รู้เรื่อง่าวหนังสือพิมพ์หรสมคจับมือกับผมป่าม้อทาป่าต้นไม้เพื่ออิรเียวทาไมค้อเปลนนี้ทําไมข้อท้าป่าือหาทุนสู้ที่ดินป่าสงวนแห่ิมาบุกตาให้บัต ให้ AI วัดวไหนพระสงฆ์จากที่รัก่าอารามรักนกผู้สรัฟวบรักทำน้ำความเชียวสดกับคืนมาก็สร้างโครงการมาข้อทัาไมว่าจะปูกที่ไนตนไม่อาไปูกที่วัดที่เขาเนี่ยะปีนี่ก็สองพันต้นปีน้ก็สองันต้นปีต่อไปกสองพันต้นเีสเปรยเอเวร์ไลน์งานดูงกันป่าก็ไม่มีปก็ไม่เท่ากับน่าจะทอท่าป่าเอาเงินมาซื้อที่ข้อไทย อย่างที่จะมาซีจุดทุวันเพื่อูกป่าเนี่ยก็เพื่อรอให้มันสวยสดงดงามขึ้นมาในขณะเดียวกั น, น, นต้องรอคอยว่ารัฐบาลอะไรดีเมื่ อ, อไรอีกเหมือนกันนหาคิดในสมัยพระพุทธเจ้าม่นเทวดาเขาไปถามพระพุทธเจ้าว่าทํำยังไงจึงจะได้บุญคนเช่นใดจึงทํำได้บุญลตลอดทางการบัตรการคืนพระพุทธเจ้าบอกกับพวกเทวดาว่วา ชนเหลาใหสร้างอาลามปูหู่ไม้สร้างสะพานไม้ดอกไม้รบไม้เงาสร้างบ่นมม้ำโรงน้ำเป็นทานขุดบอน้ำสร้างที่พักอาศัยชนเหล่านั้นย่อมมีบุญยอมไดบุญทั้งกวันกลางคืงนเมื่อในเชื่อลองไปเปิหนังสือพระไตรปิฎกว่น า, า น, น, นารโอปสุสังยุตตินิ迦สขารตะวัคเลมที่สิบห้าขอนร้อยสี่สิบกี่สี่สิบ เราพูดดจานันว่าอารมณ์รปะวันนัรปะยิ่นะใจตุกขาระคะปัป็นจัอ ah> ุภัจักยิ่งอุปัชฌายัง่ังทีวาจรโอจสหบุังประตติดประได้บุญทังยังันังเงคือว่างนะธมาิปาเชนะามิโนคล่นั้นอเป็นผู้ตั้งอยู่ในสิ่ตั้งอยู่ในธรรม จเป็นพวกไม้สูงสวรรค์เห็นมที่ไม่ได้ลงคะแนนเนี่ย้อปูปลาปูร้องสร้างอางน้ำที่วัดอดามาเนียารนน้สดมวามว่าถ้าเรามีแล้วเราจะีเาทน้ไม่ได้ที่มติกับวัดที่าเนี่ยมันเป็นแ่งน้ำดจะลาไเห็นนกน้นกเ็ดน้อะไรมาอะไรขัวกปลาอะไรอยู่แล้วจมก็เอามาต้นไม้นี่เรีเบ น่จะได้คิดในเรื่องเหล่านี้เพราะพจ้าท่านบอกว่าสร้างป่าสร้างต้นไม้อารามะโรปาวันะโรปารูปะไว่าอารามไว่าสวนป่าภูนปาวันะโรปะไปว่าภูป่าเอชนารีตุการาการปะปันปัญจธรมปานันจัยเอถาท่ติดปะปัยังสังติว่าจัตโจสาบุญยังกว่าท่านนี้เราได้ภูป่า จนเราได้ปลูกหมูไม้ได้เพื่อผาอาศัยสร้างสะพานจนเราได้สร้างโรงน้ำให้พอน้ำขุดก่อน้ำเป็นาทานสี่พักอาศัยจนเรานั้นย่อมได้บุญเ่ยวมอีบุญในการทุกงานทั้งกลางวันกันขึ้นเนี่ยเพราะเห็นนั้นทําทไม่เราจึงไม่ผานกันคิดการจะปลูกสํานึกให้คนมีความสํานึกรับผิดชอบต่ อ, อสิ่งใดข้อตามต้องปลูกหัวหน้าของคนทั้งหลายก่อน ก็พูดไจากทางว่าวันนั้นเจตระมานั้นจิมังขจฉาติปุลขวสัจิมหังขจฉติเตจิมหังเรยาสติเหวมีวามนุสเซิลุโขสตสัมโมโอ้เจ้าทีกังตระติปพเว่าอิทลาภาะเมื่อฟูโขห้ามไปแล้ววนน่้มันไปคนรฟูมันก็ไปคด ใ น, มนหมงบรรดกูทีู่กสมมเป็นหัวหนาไม่ตั้งดูในทำประชาชนทั้งหลายชับไม่ตั้งดูในทำตะั ง, ะงทางปุ๊บทุงเต๋อตีเป็นแหวนทั้งหลายจับประสบกับความโกลาจายเอโฮเดียทำมีโขงหนุมหัวหน้าของคนที่ตั้งดูในทำ้องจะห้ามถ้าอยากจะให้คนดีก็ต้องโครัหัวหน้าของคนนั่นแหละไม่ได้ไย อุณหภู <t une> <an> ิเอตัดระมานัอุณภั้นภุภนอมวัวมเสยุโิเรกสัมร้รมกัจะตัดเป็นเหวี่ตระาปาต่างหวังังขังเติราชายงติธรมรู้เรปะตปิกทสตุกันบารังคุตันใจประตัปิอกเล้เกิ